อ่ะในๆก็ทำบุญนะแผ่ส่วนบุญอ mm ัง hmm. สุขิโตมินิทุโคมิอเวโรมิอัพยาปัชโชมิอานิโคมิสุขีอัตตานังปาริหารามิ สัพเพสัตตาสุตฐานตุสัพเพสัตตาเวราหุนตุสัพเพสัตตาปยาปชาหุนตุสัพเพสัตตาอนิฆาหุนตุ สัพเพสัตตสุขีอัตตานังปาริหารตุสัพเพสัตตสัพพาทุค้าปมุจฉันตุสัพเพสัตตารัตตสัมปติโตมาวิขาดฉนตุ สัเพสัตตากรรมสักกรรมดายะากรรมโยนีกรรมะันธุกรรมปฏิสนายังกรรมังกรริสันติการไยานังวะปะปะงวะตาสักดายะาพวิสันติสัเพสัตตา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 พอสัตว์ทางสิ้นนั้นจงเป็นผู้มีส่วนได้เสวยผลบุญอันข้าพระเจ้าได้บำเพ็ญแล้วนั้นเธินอพอสมควรนะบ้านใครบ้านมันกลับบ้านดึกไม่ดีแเชิญ